บทที่หนึ่งก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร้ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ทราบความประสงค์ของข้าพเจ้าในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อความต่อไปนี้แก่ผู้อื่นดังต่อไปนี้คือหนึ่งประสบการณ์ในด้านนี้ปัจจุบันยังเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนหาคำตอบที่แน่นอนไม่ได้เลยผู้ที่ต้องการค้นคว้าในด้านนี้จึงต้องคลมงูมงาราลองผิดลองถูกกันเรื่อยไป เป็นการทำให้เสียแรงและเวลาไปโดยไม่จำเป็นหากเรื่องของข้าพเจ้าได้มีผู้รับรู้และศึกษากัรแพร่หลายมากขึ้นก็อาจเป็นไปได้ว่าคงจะมีบุคคลบางคนหรื อ, อยังน้อยแม้สักคนเดียวก็ยังดีที่อาจจะได้รับประโยชน์อันเป็นบทเรียนจากประสบการณ์หนึ่งต่อไปนี้บ้างและเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะได้ไม่ต้องเกิดความสงสัยลังเลหรือคิดไปในแง่ร้ายอย่างผิดทาง ในเวลาเดียวกันเขาก็จะได้เกิดความโล่งใจบ้างว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่เขาคนเดียวในโลกนี้ที่มีประสบการณ์ดังกล่าวนั้นและไม่หลงโทษตนเองเสมอไปว่าตนกำลังจะเป็นโรควิกลจริตหรืออะไรทํานองนั้น 2. เรื่องราวของข้าพเจ้าต่อไปนี้อาจจะมีค่าสาหรับการศึกษาค้นคว้าแบบวิทยาศาสตร์ในด้านนี้บ้างในอนาคต ซึ่งจะทำให้บุคคลรุ่นต่อไปได้มีหูตาสว่างยิ่งขึ้นและสามารถเข้าใจเรื่องลึกลับเกี่ยวกับตัวของเขาเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าในปัจจุบันถ้าความมุ่งหมายของข้าพเจ้าข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อได้รับผลสำเร็จบ้างไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและเมื่อไรก็ตามข้าพเจ้าก็คิดว่าได้รับรางวัลอันคุ้มค่าแล้วอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายจะให้เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเอกสารประกอบการค้นคว้าของทางการวิทยาศาสตร์ทั่วไปมากกว่าที่จะให้เกี่ยวกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มใดโดยเฉพาะในการอธิบายประกอบเรื่องแม้ข้าพเจ้าจะได้ใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์บ้างก็พยายามใช้คำทัท่วๆไปที่คนส่วนใหญ่จะอ่านเข้าใจได้แน่ละในบางโอกาส นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเช่นฟิสิกส์นักเคมีชีววิทยาและจิตแพทย์หรือนักปรชัชญาคงจะใช้ศัพท์เฉพาะซึ่งจะมีความหมายรัดกุมกว่าคำที่ข้าพเจ้าใช้มากอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าชอบที่จะพูดกันด้วยภาษาพื้นบ้านเพื่อให้คนธรรมดาส่วนใหญ่เข้าใจกันได้มากกว่าที่จะใช้ภาษาธรราอันลึกซึง้งซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีปัญญายอดคนซึ่งก็มีจำนวนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นเป็นที่แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆคงจะตีความหมายเรื่องราวต่อไปนี้ต่างๆกันตามความเห็นของตนของตนข้อสำคัญและที่ยากมากก็คือว่าเราจะต้องมีใจเป็นกลางรับฟังข้อคิดเห็นแล้วเรื่องราวบางอย่างซึ่งเมื่อเป็นความจริงแล้วจะทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักการ และความเชื่อที่มีมาแต่เดิมยางสิ้นเชิงอันที่จริงอาจกล่าวได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์หลายเรื่องแม้จะมีหลักฐานการอ้างญิงและความน่าเชื่อไม่แน่นแฟ้นเท่าใดเราก็ยังได้เคยรับรองว่าเป็นความจริงมาแล้วเหมือนกันข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้อ่านด้วยใจที่เป็นกลางต่อเรื่องราวต่อไปนี้บ้างต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเริ่มเรื่องราวของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ ในระหว่างฤดูใบไม้ผลิของปีคริสตศักราช1958พักราข้าพเจ้ากำลังมีชีวิตเป็นปกติสามัญอยู่กับครอบครัวซึ่งมีการดำเนินชีวิตเป็นปกติสามัญเช่นครอบครัวอื่นๆทั้งหลายเหมือนกันเนื่องจากว่าเรามีนิสัยชอบธรรมชาติและความเงียบเราจึงเลือกที่อยู่ในชนบทแทนที่จะเป็นในเมืองใหญ่ถ้าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะผิดปกติอยู่บ้างก็อาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้น ข้าพเจ้ากำลังศึกษาวิชาจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนในระหว่างนอนหลับอยู่นั่นเองและในการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองด้วยตนเองตลอดมาสัญญาณผิดปกติในชีวิตของข้าพเจ้าเริ่มขึ้นในวันเสาร์วันหนึ่งเวลาบ่ายในระหว่างที่คนอื่นๆในครอบครัวไปโบสถ์กันหมดแล้วนั้นข้าพเจ้าก็ฟังเทปบันทึกเสียงงวอยู่คนเดียว จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ความสนใจจดจ่ออยู่กับแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยไม่ให้เรื่องอื่นๆมารบกวนหรือแบ่งความสนใจออกไปโดยประสาทสัมผัสทางอื่นๆและโดยมีหลักว่าแหล่งที่ให้เกิดความสนใจนั้นจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจและพิจารณาตรองตามไปได้ด้วยคือไม่ได้ทำให้เกิดความสนใจชนิดที่เป็นความเพ่งแนวแน่อย่างเดียว การที่เราจะรวบรวมกําลังใจให้ตั้งจดจ่ออยู่กับแหล่งนั้นๆได้นานเพียงไรจะเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของเราตามวิธีดังกล่าวนั้นเมื่ออยู่คนเดียวในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีภาพและเสียงอย่างอื่นมารบกวนข้าพเจ้าก็ตั้งใจฟังเทปซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้มีข้อความที่ผิดปกติอย่างไรเมื่อครอบกลัวกลับมาจากโบสถ์แล้วเราก็ได้ร่วมวงกินอาหารตอนสายด้วยกัน ซึ่งมีไข่เบคอนและกาแฟ ى. หลังจากนั้นประมาณเครื่องชัมวโมงเศษข้าพเจ้าก็เริ่มรู้สึกมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่แถบกระบังลมในอนาบริเวณที่เรียกกันว่าโซลารเฟกซ์ชุดมันเป็นความปวดร้าวที่ทำให้รู้สึกคล้ายๆกับว่าบริเวณที่ปวดนั้นเป็นก้อนแข็งคาดอยู่ตลอดหน้าท้องเลยทีเดียวครั้งแรกข้าพเจ้าคิดว่า คงจะเป็นเพราะอาหารผิดสำแดงอันเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเมื่อสักครู่นี้จึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้สำรอกออกมาให้หมดแต่ก็ไม่สำเร็จคนอื่นๆในครอบครัวที่รับประทานอาหารอย่างเดียวกันก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใดมีอาการผิดปกติข้าพเจ้าพยายามเดินและทำท่ากายบริหารต่างๆระคิดว่าอาจจะเป็นเพราะกล้ามเนื้อไม่ทางานตามปกติก็ได้ ส่วนสาเหตุที่ว่าอาจจะเนื่องมาจากไส้ติ่งอักเสบนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะข้าพเจ้าได้ผ่านการผ่าตัดเพื่อเอาไส้ติ่งออกมาแล้วในระหว่างสังเกตดูการหายใจก็รู้สึกว่ายังสามารถหายใจได้เป็นปกติแม้จะมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็ตามและการเต้นของชีพรจรก็รู้สึกว่ายังเป็นปกติอยู่เช่นเดียวกันไม่มีอาการเงือออกหรืออาการอย่างอื่นๆอีก นอกจากอาการตึงหรือเกร็งอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อที่ท้องน้อยส่วนบนเท่านั้นเมื่อหาสาเหตุอย่างอื่นไม่พบข้าพเจ้าก็คิดว่าหรืออาจจะเป็นเพราะข้อความในเทพอาเสียงก็เป็นได้จึงได้เปิดปังมาอีกคขนหนึ่งและดูต้นฉบับตัวเขียนประกอบด้วยก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่แล้วก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นอีกหรือว่าจะโทรศัพท์ไปหาหมอดี แต่ปลกอยู่อย่างหนึ่งคืออาการก็ไม่รุนแรงขึ้นกว่านั้นและก็ไม่ค่อยยิ่งจั่วขึ้นเช่นเดียวกันในที่สุดก็ตัดสินใจลองโทรศัพท์ไปหาหมอแต่ปรากฏว่าบรรดาหมอในบริเวณนั้นไม่อยู่เลยแม้แต่คนเดียวตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงประมาณเที่ยงคืนอาการปวดและเป็นตะคริวก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆยุกยาที่มีอยู่ไม่ว่าขนานใดช่วยไม่ได้เลย หลังจากเที่ยงคืนเล็กน้อยข้าพเจ้าก็หลับไปด้วยความอ่อนเปลรียเป็นอย่างมากเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้าปรากฏว่าการปวดและเป็นตะคริวหายไปหมดอาการที่ยังมีเหลืออยู่บ้างก็คือมีความระบมไปทั่วอนาบริเวณที่เคยปวดทำนองเดียวกันกับที่อาจเกิดขึ้นแก่คนอื่นได้เมื่อไอมากๆก็จะเกิดระบมที่คอและหน้าอกฉนันและสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการปวด อย่างรุนแรงครั้งนี้คืออะไรก็เป็นอันไม่มีใครทราบได้จนบัดนี้ข้าพเจ้าบันทึกลงไว้ในครั้งนี้ก็้วยคิดว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติครั้งแรกที่หาสาเหตุไม่ได้ซึ่งจะว่าเกิดขึ้นกับทางกายหรือทางใจก็ยังไม่แน่เหมือนกันเมื่อนึกย้อนหลังไปบางครั้งข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าหรืออาจจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของมเมตถกายเศ กองเทพพยายดาองค์ใดองค์หนึ่งกระมังแต่เนรายของข้าพเจ้านี้ถ้าเหตุเกิดเพราะเทพพยายดาจริงก็คงจะเป็นตะบองหรือค้อนกายสิทธิ์ชนิดอันใหญ่ไม่ใช่เล่นทีเดียวต่อมาอีกสักสองหรือสามสัปดาห์ก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอีกเรานี้ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการฟังเทปบันทึกเสียงเลยเป็นอันว่ายิงลึกลับไปกว่าครั้งแรกเสียอีก เช่นเดียวกับครั้งแรกวันนั้นเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายรอบรัวของข้าพเจ้าไปวัดกันหมดข้าพเจ้าจึงเอนหลังลงบนเก้าอี้ยาวคิดว่าจะพักผ่อนเอาแรงสักพักหนึ่งในขณะที่กำลังอยู่คนเดียวเงี ย, เงยบๆดีข้าพเจ้าเพิ่งล้มตัวลงนอนหันศีรษะไปทางเหนือก็รู้สึกว่ามีลำแสงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าด้านทิศเหนือเป็นมุงกับขอบฟ้าประมาณสสิบองศาทาให้รู้สึกว่า คล้ายๆกับมีแสงอันอบอุ่นมาถูกต้องตัวฉะนั้นอันที่จริงตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันแสกๆไม่น่าจะมีลำแสงอื่นใดพุ่งลงมาจากท้องฟ้าในลักษณะเช่นนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหรือจะเป็นลำแสงแดดแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะลำแสงนั้นมาจากด้านเหนือเมื่อลำแสงนี้มากระทบตัว ก็ทำให้ข้าพเจ้าสั่นอย่างรุนแรงไปทั่วร่างพร้อมกันนั้นก็รู้สึกว่าคล้คลายๆกับถูกคีมใหญ่บีบไว้อย่างแน่นหนาไม่สามารถจะดิ้นรนหลีกหนีได้เลยด้วยความตกใจเนื่องจากถูกจู่โจมโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าพยายามดิ้นอย่างสุดกำลังรู้สึกว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้กับพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นตัวภักหนึ่งก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งได้ พร้อมกันนั้นก็รู้สึกว่าอาการสั่นสะเทือนค่อยๆจางหายไปข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินไปมารอบๆจำได้ว่าในระหว่างนี้ไม่ได้มีการลืมสติไปเลยจากนาฬิกาก็แสดงว่าเวลาแห่งการดิ้นรนของข้าพเจ้าได้ผ่านไปชั่วสองสามวินาทีเท่านั้นเองตลอดเวลานี้ข้าพเจ้าไม่ได้หลับตาเลยยังคงลืมตา และได้ยินเสียงต่างๆโดยรอบเป็นปกติเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างด้านทิศเหนือทุกอย่างก็เป็นปกติดีเมื่อหมดหนทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ข้าพเจ้าก็เดินออกไปนอกห้องหลังจากนั้นเป็นเวลาหกสัปดาห์เหตุการณ์ประหลาดทำนองเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นอีกถึง9ก้าครั้งในเวลาและสถานที่ต่างๆกัน แต่ที่เหมือนกันมีอยู่อย่างหนึ่งคือจะต้องเกิดขึ้นตอนที่ข้าพเจ้าเอนกายลงจะพักผ่อนหรือนอนหลับเสมอทุกครั้งเมื่อเกิดขึ้นครั้งใดข้าพเจ้าพยายามดิ้นรนลุกขึ้นนั่งจนได้แล้วอาการสั่นสะเทือนก็จางหายไปหลลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือทั้งๆที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างกายของตนเองสั่นสะเทือนแต่เมื่อมองดูก็ไม่เห็นมีอาการเช่นนั้นปรากฏขึ้นเลย คือได้แต่รู้สึกอย่างเดียวข้าพเจ้ามีความรู้ในทางแพทย์อยู่บ้างเล็กน้อยจึงเดาเอาเองว่าคงจะมีสาเหตุหลายประการครั้งแรกนึกถึงเรื่องโรคลมบ้าหมูก่อนแต่ก็ไม่ได้เหตุผลว่าผู้ที่เป็นลมบ้าหมูจะไม่สามารถจำได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตนว่ามีความรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เป็นลมเช่นนั้นเลยนอกจากนั้นโรคลมบ้าหมู มักจะเป็นกรรมพันธุ์และมักจะแสดงอาการออกมาตั้งแต่ผู้นั้นยังเล็กๆอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่เคยมีลักษณะเช่นนั้นเลยสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ประการที่สองก็คืออาจเป็นเพราะความผิดปกติในสมองซึ่งอาจเนื่องมาจากเนื้องอกก็ได้เรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตนเองจึงได้ไปปรึกษาแพทย์ประจาครอบครัวของเรา คือในแพทย์ริชาร์ดกอรดอนผู้ซึ่งได้รักษาครอบครัวของเรามาเป็นเวลานานและยอมรู้ประวัติและลักษณะร่างกายของข้าพเจ้าดีหลังจากที่ได้ตรวจสอบอย่างทั่วที่แล้วหมอกอรดอนก็บอกว่าข้าพเจ้าทำงานหนักมากเกินไปควรจะพักผ่อนหลับนอนที่มากกว่านี้และลดน้ำหนักลงเสียบ้างกล่าวโดยสรุปก็คือเขายัางหาสาเหตุทางร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้นั่นเอง เมื่อข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะเนื้องอกก็ได้เขาก็หูเราะแสดงว่าไม่มีทางเป็นไปได้ซึ่งกระทำให้ข้าพเจ้าล่งใจไปมากเป็นอันว่าเมื่อหาสาเหตุทางร่างกายไม่พบก็อาจจะเป็นเพราะภาพหลอนหรือเป็นการฝันชนิดหนึ่งกระมังข้าพเจ้าคิดดังนั้นจึงตกลงใจว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้จะต้องพิจารณาสังเกตกัน ให้ทวนทีแบบนักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวและก็สมใจนึกเพราะเย็นวันนั้นเองก็ได้เรื่องหลังจากที่ข้าพเจ้าเอ็นกายลงนอนได้สักสองสามนาทีอาการดังกล่าวก็เกิดขึ้นคราวนี้ข้าพเจ้าตกลงใจเด็ดเดียวว่าจะต้องพิจารณากันให้ถึงที่สุดว่ามันจะไปลงเอยกันในรูปใดแน่คือว่าจะแมดินรนหรือตะเกียกตะกาให้พ้นภาวะเช่นนั้นเลย ปรากฏว่าความรู้สึกคือการสั่นสะเทือนเช่นว่านั้นค่อยผ่านเข้ามาทางด้านศีรษะและแผ่รอบงำไปทั่วร่างกายความจริงมันไม่ใช่เป็นการสั่นธรรมดาที่เรียกว่าชากิ้งแต่เป็นความสั่นสะเทือนที่เรียกว่าไวเบเรชันซะมากกว่าอาการสั่นสะเทือนนี้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอทำให้รู้สึกว่าเป็นเสมือนมีอาการช็อกเกิดจากกระแสไฟฟ้า แผ่กว้างไปทั่วร่างกายคือไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดข้าพเจ้าลองกำหนดดูก็คิดว่าน่าจะมีความถี่ของช่วงคลื่นต่ำกว่าหกสิบครั้งต่อหนึ่งนาทีอาจจะราวครึ่งหนึ่งของอัตรา น, นั้นก็ได้กระมังแม้จะได้เตรียมใจไว้แล้วก็ยังอดตกใจไม่ได้เป็นแต่พอจะคุมสติไว้ได้เท่านั้นรู้สึกว่าในระหว่างนี้ ข้าพเจ้าก็ยังคงสามารถเห็นสิ่งต่างๆในห้องนั้นได้ดีเป็นแต่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวข้าพเจ้านั้นปรากฏว่าได้ยินเพียงแผ่วเนื้อเสียงแห่งความสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยอดประหลาดใจไม่ได้ว่าต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นอีกแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากห้านาทีล่วงไปอาการเช่นนั้นก็ค่อยๆหายไปและข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นนั่งได้ตามปกติ ที่ประจรของข้าพเจ้าสูงขึ้นไปซึ่งก็คงเนื่องมาจากความตกใจนั่นเองแต่ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเหตุการณ์ทั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าคลายความกลัวลงไปได้เป็นอันมากในจำนวนสี่หรือห้าครั้งที่อาการเช่นนี้เกิดขึ้นอีกข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้พบความจริงบางอย่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครั้งหนึ่งปรากฏว่าความสันสะเทือนนั้น ได้แปล ร, รูปไปเป็นประกายแสงรูปวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองฟุตอบล้อมร่างกายของข้าพเจ้าไว้โดยรอบแม้เมื่อหลับตาข้าพเจ้าก็ยังสามารถเห็นวงแสงนี้ได้ถนัดวงแสงนี้ลอยเลื่อนจากศรีรษะของข้าพเจ้าไปทางด้านปลายเท้าแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นไปทางศรีรษะอีกช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็เป็นเวลาประมาณหวินาที ขณะที่วงแสงเลื่อนผ่านร่างกายส่วนใดไปก็จะเกิดความรู้สึกเสมือนมีอะไรมาผ่านร่างกายส่วนนั้นไปฉะนั้นเมื่อวงแสงเลื่อนไปถึงศีรษะก็จะมีเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นและทําให้เกิดความรู้สึกสะเทือนขึ้นในสมองข้าพเจ้าพยายามหาเหตุผลเพื่อศึกษาวงแสงซึ่งคล้ายๆกับไฟฟ้าวงนี้แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุจนล้าจนรอดแม้จนกระทั่งว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกให้บุตรภรรยาของข้าพเจ้ารู้เลยเพราะเห็นว่าไม่ควรจะทําให้บุคคลเหล่านั้นต้องมาวิตกกังวลไปโดยใช่เหตุจนกว่าจะสือรู้สาเหตุให้ได้แน่นอนเสก่อนต่อมาข้าพเจ้าได้ไปหาแพทย์ผู้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อหมอฟอสเตอร์บรัสชอเมื่อมา น, นึกย้อนหลังข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบใจหมอคนนี้มากเพราะทามิชัยเป็นเพราะเขาแล้ว ปานี้ข้าพเจ้าอาจต้องไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตแล้วก็เป็นได้ดรอกเตร์ชช์สนใจเรื่องของข้าพเจ้ามากและเขาก็ให้ข้อคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็นภาพหลอนชนิดหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกับดรกอดอนที่กล่าวมาแล้วหมอผู้นี้ก็รู้จักข้าพเจ้าดีเหมือนกันเขาหัวเราะเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าอาจจะเป็นโรคประสาทเสีแล้วเมื่อข้าพเจ้าขอคําแนะนํา เขาก็กล่าวว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องทำเนี่ยคุณก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่ใช่เหรอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะดูดูและศึกษามันเรื่อยไปเทอเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับผมผมคงจะหลบเข้าป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งและพยายามหาคำตอบให้ได้ทีนี้เรื่องของเรื่องก็อยู่ที่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าไม่ใช่แก่ดรบราชชอล และข้าพเจ้าก็หลบเข้าป่าไปไหนไม่ได้เพราะยังมีครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูอยู่อีกเวลาผ่านไปหลายเดือนและปรากฏการดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอจนทาให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแทนที่แต่แล้วตอนดึกของคืนวันหนึ่งเหตุการณ์เช่นนั้นก็เกิดขึ้นอีกและข้าพเจ้าก็ทาใจเฉย เพื่อให้มันผ่านพ้นไปแล้วจะได้หลับนอนจริงๆเส้สักทีในระหว่างนั้นแขนของข้าพเจ้าข้างหนึ่งห้อยลงไปจากที่นอนด้านขวาทำให้นิ้วได้สัมผัสกับพรมพอดีโดยไม่ได้ตั้งใจข้าพเจ้าลองกระดุกกระดิกนิ้วดูก็ปรากฏว่าตนเองสามารถจะเกาะพรมพื้นนั้นได้ตอนนี้จึงเกิดความรู้สึกแปลกว่าตนเองก็สามารถจะกระดิกนิ้วได้ แม้ในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นจึงลองเอานิ้วดันพรมให้แรงขึ้นไปอีกหน่อยปรากฏว่ามีการต้านทานเกิดขึ้นชั่วครู่ต่อจากนั้นก็รู้สึกว่านิ้วได้ทะลุพรมออกไปจนสามารถสัมผัสพื้นซึ่งอยู่ข้างล่างได้ข้าพเจ้าเกิดความประหลาดใจเล็กน้อยจึงออกแรงกดลงต่อไปอีกก็รู้สึกว่านิ้วผ่านทะลุพื้นลงไปจนกระทั่งได้สัมผัสกับผิวพื้นอันหยาบ ของเพดานห้องชั้นล่างได้เมื่อลองคลมดูไปมารอบๆก็ได้สัมผัสกับแผ่นไม้สามเหลี่ยมตะปูที่ตอกไม่มิดงอพับอยู่บนแผ่นไม้และมีขี้เลือยอีกด้วยนี่มันอะไรกันข้าพเจ้าคิดพร้อมกับออกแรงดันนิ้วต่อไปอีกที่นี้มันทะลุเพดานห้องชั้นล่างลงไปทำให้รู้สึกว่าแขนทั้งแขนลอดออกไปหมดจนกระทั่งนิ้วได้สัมผัสน้า รู้สึกเปียกที่มือเพื่อให้แน่ใจข้าพเจ้าลองกระดิกนิ้ววักน้าไปมาก็ปรากฏว่าเป็นน้ำจริงๆทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เกิดรู้สึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นมาโดยฉับพลันคือรู้สึกว่ากำลังนอนอยู่ที่ห้องชั้นบนข้าพเจ้าตื่นอย่างเต็มที่คือไม่ได้ฝันไปเลย เพราะยังสามารถเห็นภาพภูมิประเทศท่ามกลางแสงจันทร์ได้ถนัดเมื่อมองออกไปทั้งหน้าต่างตัวของข้าพเจ้าเองก็ยังคงนอนอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคลุมร่างกายอยู่เป็นปกติหัวก็ยังหนุนอยู่บนหมอนหน้าอกก็ยังขึ้นขนลงๆงไปตามจังหวะของการหายใจอาการสันสะเทือนตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่เป็นแต่ว่าจางลงไปบ้างแล้ว แต่ก็แปลกที่แขนของข้าพเจ้าข้างหนึ่งยังทะลุพื้นลงไปโดยนิ้วกำลังวักน้ำเล่นอยู่ได้พร้อมกันนั้นก็คล้ายๆกับว่าแขนข้างนั้นถูกขัดไว้กับพื้นห้องปรหลาดที่ข้าพเจ้าก็รู้ตัวว่ากำลังเตื่นอยู่แท้ๆ แ, แล้วเหตุใดจึงจะเกิดความฝันว่าแขนข้างหนึ่งทะลุพื้นห้องไปแช่อยู่ในน้าเช่นนี้ในขณะนี้ ความสั่นสะเทือนยเริ่มจางไปแล้วทำให้ข้าพเจ้านึกว่าการที่แขนของข้าพเจ้าสามารถทะลุพื้นห้องไปได้นั้นน่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันกันกบเรื่องนี้เสียแล้วเลยเกิดนึกกลัวขึ้นมาโดยกระทันหานว่านี่ถ้าเผื่อความสั่นสะเทือนนี้มันหายไปหมดก่อนที่จะชักแขนออกจากพื้นได้ทันแล้วมันก็จะติดคาอยู่กับพื้นอย่างแน่นอนเพราะความสั่นสะเทือนนี้เอง ได้ามพื้นห้องเป็นรูมีช่องทำให้แขนลอดไปได้ในตอนนั้นข้าพเจ้านึกได้เพียงเท่านี้เองโปรดยังนึกสงสัยว่าความสั่นสะเทือนนั้นมันจะทำให้พื้นห้องเป็นรูขึ้นมาได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมตนเองจึงได้คิดหาเหตุผลพิลึกพิลึกเช่นนั้นได้เร็วเท่าความคิดและความกลัวด้วย ขพเจ้ารีบชักแขนออกมาจากรูที่พื้นห้องแล้ววางไว้ข้างๆตัวทันทีจากนั้นไม่นานความสันสะเทือนก็จางหายไปหมดขพเจ้ารุกขึ้นเปิดไฟในห้องและมองดูที่พื้นห้องทันทีก็ไม่เห็นมีรูหรือช่องอะไรเลยทั้งที่พรมและพื้นห้องเพราะมันก็เป็นปกติเหมือนที่เคยเป็นแต่เดิมทุกประการขาพเจ้าหันไปมองที่มือและแขนเพื่อจะหาดูว่า มีน้ำหยดติดอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่มีอีกเมื่อมองไปรอบๆห้องก็เห็นภรรยาของข้าพเจ้านอนหลับเป็นปกติเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อยคืนนั้นข้าพเจ้านอนครุ่นคิดแต่เรื่องที่ตนคิดว่าต้องเป็นภาพหลอนไปเป็นเวลานานกว่าจะหลับลงได้พอรุ่งขึ้น จะเกิดความคิดวิตฐานว่าจะลองเจาะช่องที่พื้นดูเพื่อพิสูจน์ให้แน่สักทีว่าจะมีอะไรอะไรจริงอย่างที่มือหลอนของข้าพเจ้าคลําไปพบหรือเปล่าเมื่อนําความเรื่องนี้ไปปรึกษาดรบราชอลก็จะรับคําสนับสนุนว่าควรลองพิสูจน์ดูเป็นอย่างยิ่งด็อร์ชอลได้แนะนําให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับจิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งชื่อดร์ลูอิสวอลเบิร์ก ซึ่งก็ไม่ได้แสดงอาการสนใจอะไรนักเขาคงจะคิดว่าข้าพเจ้าสติไม่ดีเสียมากกว่าเรื่องของข้าพเจ้าดูท่าว่าจะยุ่งเหยิงซับซ้อนกันใหญ่ข้อที่ยากก็คือความรู้ความเจริญของวิทยาการสมัยปัจจุบันซึ่งมีเป็นจํานวนมากมายนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยดูมันจะเป็นเรื่องเหนือขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมหรือทางการแพทย์ไปเสหมด ทำไปทำมาก็คงจะต้องพึ่งตนเองคนเดียวอีกประมาณสี่สัปดาห์ต่อมาก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกตอนนั้นเมื่อความสันสะเทือนเริ่มมาครอบงำข้าพเจ้านึกกำหนดในใจไว้ว่าจะต้องลองเคลื่อนไหวแขนหรือขาดูอีกทีตอนนั้นดึกมากแล้วเป็นตอนที่ข้าพเจ้ากำลังจะนอน ส่วนภรรยาของข้าพเจ้านอนหลับไปแล้วอยู่ข้างๆกำลังที่คิดว่าจะทำอย่างไรกับความสันสะเทือนคราวนี้ในตอนไหนดีก็บังเอิญเกิดความคิดแว บ, บขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยว่าบ่ายวันรุ่งขึ้นอยากจะออกไปทดลองเครื่องร่อนสักหน่อยถ้าจะสนุกดีทั้งนี้เพราะในตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังเล่นเครื่องร่อนเป็นงานอิเรกอยู่พอเริ่มคิดหัวเรื่องได้เช่นนั้น ความคิดก็ล่องลอยไปถึงการวาดมนวโภภาพเอาเองว่าการขึ้นไปร่อนลอยอยู่บนอากาศได้เช่นนั้นคงจะสนุกเพลิดเพลินดีทีเดียวอันที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นไปตามธรรมดาเพราะข้าพเจ้าในตอนนั้นก็ไม่ได้นึกฝันว่าจะมีผลตามมาอย่างไรและก็ใครเล่าจะคิดไปได้แม้แต่ฝันก็เถอะแต่ผลที่เกิดขึ้นมันก็เกินความคิดและความฝันจริงเพราะพอคิดว่าตนเอง คงจะได้ล่องลอยไปในอากาศอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นจับพลันก็รู้สึกว่ามีอะไรมาดันไหลเอาไว้ด้วยความแปลกใจลองเอื้อมมือออกไปคลำดูก็ปรากฏว่าสิ่งนั้นเป็นคล้ายๆฝาผนังห้องเช่นั้นลองคลำต่อไปเรื่อยๆจนสุดแขนก็รู้สึกว่าฝาห้องตอนนี้เหตียดดจึงดูเรียบๆไปตลอดแนวพยายามเพ่งดูในแสงสลัวๆเพื่อให้รู้ว่า มันจะเป็นห้องอะไรที่ไหนกันแน่ก็เห็นว่ามันเป็นป่าห้องจริงๆข้าพเจ้าจึงนึกให้เหตุผลแก่ตนเองว่าคงจะเป็นเพราะข้าพเจ้านอนดิ้นมากเกินไปจนกระทั่งหล่นตกลงมาจากเตียงอันที่จริงข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าไม่เคยนอนดิ้นเห็นปานั้นมาแต่ก่อนเลยแต่เมื่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตในระยะนี้ชักจะมีอะไรแปลกประหลาด ยากที่จะเข้าใจเกิดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่จะคิดว่าตนเองนอนดิ้นอย่างมาโหรานจนกระทั่งตกเตียงแล้วกลิ้งหล่นลงมาอยู่มุมห้องเช่นนี้ก็คงจะต้องเป็นไปได้อยู่เหมือนกันข้าพเจ้ามองสำรวจต่อไปอีกเพื่อจะให้รู้แน่ว่ามันจะเป็นฝาห้องด้านไหนกันแน่ก็รู้สึกขึ้นในใจทันทีว่าถ้ามันจะไม่เข้าทีเสียแล้ว ฝาผนังห้องด้านนี้ทำไมจึงไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างและทั้งที่ไม่มีเครื่องเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดวางแนบอยู่บ้างเลยแบบนี้มันไม่ใช่ฝาผนังห้องนอนของข้าพเจ้าอย่างแน่นอนแต่เอมันก็ดคูคุ้นตาดีอยู่เหมือนกันแม้ว่าความรู้สึกบอกตนเองว่ามันไม่ใช่ฝาผนังห้องนอนของตัวเองก็ตามคิดไปคิดมาก็นึกออกทันทีพร้อมกับอุทานขึ้นมาในใจว่าตายจริง นี่มันเพดานห้องนอนของข้าพเจ้าแน่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าข้าพเจ้าได้ลอยขึ้นมาจนถึงเพดานนั่นเองดังนั้นพอกระดุกกระดิกตัวทีไรก็เป็นอันต้องกระทบกับเพดานทุกครั้งไปข้าพเจ้าดินคลุกคลักอยู่กลางอากาศด้วยความตกใจและหันมามองข้างล่างก็เห็นเตียงนอนของตนเองในแสงสว่างสลัวสลว บนเตียงนอนมีร่างของคนสองคนคนหนึ่งคือภรรยาของข้าพเจ้าเองและอีกคนหนึ่งเป็นใครก็ยังไม่ทราบแต่ก็กำลังหลับอยู่ทั้งสองคนเราเนี่ยชักจะฝันพิสดารกันไปใหญ่เสียแล้วข้าพเจ้าพูดกับตนเองในใจในตอนนั้นแต่ก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าใครหนอที่ข้าพเจ้าฝันว่ามานอนกับภรรยาของข้าพเจ้าบนเตียง พยายามมองดูอย่างพินิษพิเคราะห์อีกทีก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติตายจริงไอ้เจ้าหมอที่นอนอยู่บนเตียงนั่นก็คือข้าพเจ้าเองนั่นแหละที่นี้จะทำอย่างไรดีข้าพเจ้าเวลานี้ก็อยู่ที่นี่คือบนเพดานแล้วร่างกายของข้าพเจ้าก็ยังอยู่บนเตียงนอนหรือว่าข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วและนี่กระมังคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความตาย แต่ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะตายเลยก็ต้องมาตายจนได้เพราะเจ้าความสันสะเทือนนั่นเองได้ฆ่าข้าพเจ้าเสิแล้วในตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าจิตใจของตนเองเกิดอาการดิ้นรนอย่างสุดกำลังและได้พุ่งลงมาบนเตียงอย่างรุนแรงด้วยความพยายามที่จะเข้าร่างเดิมให้จงได้รู้สึกได้ว่าดำดิ่งลงไปและก็ได้เข้าไปในร่างจริงๆต่อจากนั้น ก็เห็นว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคลุมอยู่เช่นเดิมข้าพเจ้าลืมตาขึ้นและก็รู้สึกว่าตนเองได้กลับมาสำรวจห้องนอนจากพื้นห้องอีกครั้งหนึ่งคือไม่ใช่มองสำรวจจากเพดานห้องเหมือนเมื่อครู่หนึ่งนี้อะไรกันเนี่ยข้าพเจ้าคงจะเกือบตายไปแล้วกระมังหัวใจของข้าพเจ้าเต้นแรงลองเคลื่อนไหวขาและแขนดูก็ปรากฏว่ายังเป็นปกติดีทุกอย่าง ความสันสะเทือนก็จางหายไปหมดแล้วข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นจากเตียงเดินไปรอบๆห้องและสูบบุหรี่มวนหนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นเวลาอีกนานโขกว่าจะรวบรวมความกล้าเข้ามานอนหลับได้ดังเดิมสัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าได้ไปหาดรกเตอร์กอดอนเพื่อให้ตรวจเช็คร่างกายโดยไม่ได้บอกสาเหตุเบื้องหลังแต่อย่างใด สังเกตดูดรกอดอนมีความกังวลใจเป็นพิเศษเขาพยายามตรวจตามวิธีต่างๆหลายอย่างหลายประการดูเหมือนว่าจะทุกวิธีที่เขานึกออกคือมีการตรวจทั้งภายนอกภายในทุกส่วนของร่างกายและตั้งคำถามจุกจิกหลายข้อเขาได้ตรวจโดยวิเคราะห์คลื่นสมองอีกด้วยแต่ไม่ปรากฏว่ามีอะไรผิดปกติหรือจะเป็นเพราะเขาไม่ยอมบอกแกลเข้าพเจ้าก็เป็นได้ดรกอดอน ได้ให้ยากล่อมประสาทมาพร้อมกับบอกให้ข้าพเจ้าลดน้ำหนักลงสูบบุหรี่ให้น้อยลงและพักผ่อนให้มากขึ้นเขากล่าวว่าปัญหาของข้าพเจ้านั้นถ้าหากจะมีก็เป็นเรื่องใจมากกว่าทางร่างกายดร อ, อร์布ชอลซึ่งเป็นจิตแพทย์เมื่อทราบเรื่องในตอนหลังนี้เข้าก็บอกว่าข้าพเจ้าควรจะทดลองแบบนั้นใหม่อีกร้งหนึ่ง แต่ข้าพเจ้าได้บอกเขาว่าข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะตายในตอนนี้ดรแบรดชอวคานว่าเขาไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณต้องตายและบอกอีกว่าคนบางคนที่ฝึกวิชาโยคะหรือปฏิบัติตามวิธีการของศาสนาทางตะวันออกสามารถจะทําเช่นนี้ได้ในเมื่อเขาต้องการข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าที่ว่าทำเช่นนี้นั้นคืออะไร ดรแบดชอ์ตอบว่าก็ออกจากร่างกายไปชั่วคราวน่ะสิเขากล่าวว่าเขาจะถอดร่างกายไปไหนไหนก็ได้คุณลองทำดูบ้างก็น่าจะดีข้าพเจ้าได้ตอบว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องตลกเสมากกว่าก็มีอย่างที่ไหนที่เราจะไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องเอาร่างกายไปด้วยดรแบดชอว์บอกว่าในเรื่องนี้อย่าเพิ่งคิดไปแบบนั้น ควรจะอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับพวกฮินดูบ้างและถามว่าเคยศึกษาวิชาปรัชญาบ้างไหมตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยข้าพเจ้าตอบว่าเคยศึกษาเหมือนกันแต่ก็มีเห็นมีเรื่องการไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องเอาร่างกายไปด้วยเลยดรแบชอว์บอกว่านั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อาจารย์ปรัชญาที่ถูกต้องหรือแท้จริงนั่นเองและกล่าวว่าให้หัดทําใจให้กว้างขวางบ้าง และลองพยายามดูอีกทีอาจารย์ปรัชญาของดรแบชอเคยสอนไว้ว่าถ้าท่านตาบอดข้างหนึ่งจงหันศีรษะไปดูด้วยตาอีกข้างหนึ่งคือหมายถึงตาที่ไม่บอดถ้าตาบอดสองข้างก็จงพยายามใช้หูฟังให้ได้ข้าพเจ้าลองแกล้งยัวถามเขาว่าถ้าเผื่อหูหนวกเสียอีกด้วยจะทำอย่างไรดีแต่ปรากฏว่าดตรแบชอไม่ยอมตอบ อันที่จริงคิดไปอีกทีหนึ่งก็น่าเห็นใจดรอกเตอร์รช อ, อยู่บ้างเพราะเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นแก่เขาอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ต้องขอบคุณเขาอยู่ดีในการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ประกอบกับอารมณ์ขันด้วยถ้าไม่ได้ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอนาคตของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร หลังจากนั้นความสั่นสะเทือนดังกล่าวได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าหครั้งก่อนที่ข้าพเจ้าจะสามารถรวบรวมกำลังใจพร้อมกับทำใจให้กล้าทดลองแบบตัวลอยอีกครั้งหนึ่งและผลที่ได้รับก็พิลึกกึกกือน่าดูไม่น้อยเมื่อความสั่นสะเทือนเข้าครอบงำอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าก็ลองนึกให้ตัวลอยดูและก็ปรากฏว่าลอยขึ้นได้จริงๆ มันเป็นการลอยอย่างช้าๆขึ้นจากเตียงนอนและเมื่อข้าพเจ้านึกจะให้หยุดก็หยุดได้ตามนึกคือหยุดอยู่กลางอากาศเลยทีเดียวอันที่จริงมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความไม่สบายกายแต่อย่างใดเลยในระหว่างที่ลอยหรือหยุดอยู่กลางอากาศแต่ที่ทำให้เกิดความลำบากก็คือใจของข้าพเจ้าเองที่อดวาดวันไม่ได้ต่อจากนั้นอีกประมาณสองหรือสาวินาที เมื่อลองนึกให้ลอยลงไปก็ปรากฏว่าลอยลงได้ตามนึกอีกโดยกลับเข้ามาอยู่ในร่างกายบนเตียงได้อย่างเรียบร้อยและตลอดเวลานี้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของข้าพเจ้าก็ยังคงทำงานเป็นปกติคือไม่ปรากฏว่ามีการหมดสติหรือลืมตัวเลยนับตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าเอนกายลงนอนจนกระทั่งถึงเวลาที่ข้าพเจ้ากลับเข้ามาในร่างกายแล้วลุกขึ้นนั่งใหม่ ในเมื่อความสันสะเทือนนั้นจางหายไปหมดแล้วสมมุติว่าประสบการณ์ดังกล่าวมาตลอดสายนั้นไม่ใช่เรื่องจริงคือเป็นเพียงภาพหลอนหรือความฝันแล้วก็แสดงว่าจิตใจของข้าพเจ้าไม่เป็นปกติแน่นอนเพราะประสบการณ์ดังกล่าวนั้นแยกกันไม่ออกเลยว่าตอนไหนเป็นขณะตื่นและตอนไหนเป็นขณะฝันหรือเห็นภาพหลอนกันแน่ มีคนนับเป็นจํานวนหลายพันต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการแยกไม่ออกว่าโลกแห่งความจริงมีอยู่แค่ไหนและโลกแห่งความฝันแค่ไหนนี่เองข้าพเจ้าพยายามทดลองอีกทีแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดประหลาดเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่ได้นึกฝันคราวนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ตัวลอยขึ้นและก็ลอยขึ้นไปถึงเพดานจริงๆ แต่แล้วก็เกิดมีเรื่องวิตฐานทันทียังไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคือในขณะนั้นข้าพเจ้าเกิดรู้สึกว่ามีความต้องการในทางเพศขึ้นมาอย่างรุนแรงเหลือเกินมันเป็นความรุนแรงชนิดที่ท่วมทับจิตใจเสียจนไม่มีทางที่จะคิดถึงเรื่องอื่นได้เลยข้าพเจ้ารู้สึกมึนงงสังเวยตนเองและก็โกรธตัวเองด้วยที่เกิดความคิดอุตริขึ้นมาได้ในเวลาสาคัญขนาดนั้น เลยต้องกลับมาเข้าร่างกายตามเดิมทันทีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำๆกันต่อมาอีกถึงห้าครั้งต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มจับเพลิดได้ว่าจะต้องป้องกันและควบคุมอย่างไรเรื่องความรู้สึกต้องการในทางเพศอย่างรุนแรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งจนข้าพเจ้าต้องแยกกล่าวไว้เป็นอีกบทหนึ่งต่างหากในตอนหลังคือบทที่16 ในระยะแรกๆนั้นอารมณ์วิจารเช่นนี้ได้เป็นอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ Treasury จะไปไหนได้นอกจากต้องวนเวียนอยู่ในห้องเดียวกันกับที่ร่างกายเนื้อนอนอยู่นั่นเองเนื่องจากไม่สามารถหาคำบัญญาที่เหมาะและถูกใจได้ในตอนนี้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอบัญญัติสับขึ้นใช้เองไปพลางๆก่อนดังนี้คือ สภาวะนอกกายเนื้ออันเป็นแหล่งของประสบการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ดังกล่าวมาแล้วนั้นข้าพเจ้าขอตั้งชื่อเรียกไว้ช่วงรา ว, ว่าสภาวะที่สองหรือเซคันด์สเตตในคํานองเดียวกันกายอันได้ไปเป็นตัวการสวยอารมณ์อันเกิดจากประสบการณ์ดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าขอตั้งชื่อให้เรียกว่ากายที่สองหรือเซคันด์บอดี้สับทั้งสองนี้ จะได้ใช้อ้างญิงกล่าวถึงในครั้งต่อไปอีกเพื่อความสะดวกและไม่ต้องเสียเวลาอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งในระยะแรกๆข้าพเจ้ามักอดคิดไม่ได้เสมอว่าประสบการณ์หรือสภาวะและกายดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเพอ้อฝันเป็นมโนภาพภาพหลอนโรคจิตและประสาทพิการการสะกดจิตตนเองหรืออะไรอะไรที่เสียหายร้ายแรง ก, กว่านั้น คือความมีกฤตจริตเป็นต้นแต่ต่อมาเมื่อได้มีเหตุผลประจักษ์พยานอย่างแน่นอนแล้วจึงได้ยุติความน้อมใจเชื่อเช่นนั้นโดยเด็ดขาดแต่เหตุผลและประจักษ์พยานครั้งแรกก็เปรียบเสมือนการถูกตะบองหรือค้อนชนิดใหญ่ที่ช่างเหล็กใช้ตีเหล็กฟาดอย่างแรงคือถ้าข้าพเจ้ายอมรับเหตุผลดังกล่าวนั้นว่าเป็นความจริงก็หมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องเปลี่ยนความคิด และความเชื่อถือแต่เดิมใหม่หมดอย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาก็ดีเคยฝึกฝนอบรมมาก็ดีความคิดและการยึดถือในสิ่งต่างๆและคุณค่าต่างๆก็ดีจะต้องกลับตาลปัรจากหน้ามือเป็นหลังมือข้าพเจ้าเคยเชื่อเสมอว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพวกเราสมบูรณ์และถูกต้องแน่นอนยังไม่มีทางค้านหรือสงสัย ข้าพเจ้าแย่ใจเสมอว่านักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันจะต้องสามารถหาคำตอบในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังไม่มีทิฏฐิเลยแต่บัดนี้ถ้าข้าพเจ้าโปรงใจเชื่อเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาว่าเป็นความจริงแท้ก็หมายความว่าความเชื่อและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราจะต้องพินาศโดยสิ้นเชิงหลักการต่างๆนั้นเราจะนับถือและวว้ใจไม่ได้อีกต่อไป ในทางตรงกันข้ามถ้าข้าพเจ้าพยายามจะไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแจ่มชัดแก่ตนเองถึงขนาดนี้ก็หมายความว่าข้าพเจ้าทำผิดและบิดเบือนหลักการซึ่งตนเองเคยเคารพนับถือมาเป็นเวลาช้านานหลักการนั้นคือหลักที่ว่ามนุษย์เราควรจะพยายามดิ้นรนสแสวงหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาของตนอยู่เสมอและเมื่อได้รับความรู้ก้าวหน้า หรือเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างใดด้วยวิธีใดก็ควรจะนำมาเผยแพร่แก่ผู้อื่นให้ได้มีส่วนรู้ด้วยโดยให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้ใช้สติปัญญาและหลักการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานคืออาศัยการสังเกตทดลองสอบสวนโดยเหตุผลการวิเคราะห์และอื่นๆด้วยใจกว้างคือถือความจริงเป็นใหญ่ไม่ใช่ถือศักดิ์ศรีของตนเองเป็นสาคัญ